ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยสาสังหาอัตกถะารส า, ารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการัชนาระมหาอาคมธรรมาคโมปแปลเรื่องที่ยี่สิบดจตุ ป, ปัจจยะภาชนิยะวินิชยักถาขถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องการแจกแบ่งปัจจัยสี่ต่อ ลำดับต่อไปนี้บัณฑิตถึงทราบวิิจัยในเรื่องการถือเสนาสนะดังต่อไปนี้ก็ขึ้นชื่อว่าการถือเสนาสนะนี้ย่อมมีสองอย่างคือถือในฤดูการก็คือในฤดูหนาวแล้วก็ในฤดูร้อนอย่างหนึง่งแล้วก็ถือในวัสาวาสการก็คือในฤดูฝนอย่างหนึง่งในสองอย่างนั้น พึงสร้างวิิจฉัยในฤดูการก่อนภิกษุอาคันตุกะบางพวกมาในเวลาเช้าบางพวกมาในเวลาบ่ายบางพวกมาในปฐมยามบางพวกมาในมัชชิมยามบางพวกมาในปัจฉิมยามก็มีพวกใดมาในเวลาใดภิกษุผู้เสนาสนะคาหาปะกะก็คือผู้ที่แยดเสนาสนะพึงให้ภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแล้ว ให้เสนาสนะแก่พวกอาคันตุกะเหล่านั้นในเวลานั้นเทีเ่ยวขึ้นชื่อว่าสมัยมิใช่การย่อมไม่มีก็คือถ้าเป็นเสนาสนะของสงฆ์พระวิสุอากันตุกะมายังไงก็จะต้องย้ายที่อยู่ถ้าวิสุกัรสาแก่กว่ามาก็ต้องได้อาสนะที่ดีที่เลิศถ้าอ่อนมาก็ได้อาสนะที่ดีรองลงไป ฝ่ายพิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสะนะต้องเป็นผู้ฉลาพึงเว้นที่ตั้งเตียงไว้หนึ่งหรือสองที่เว้นที่ตั้งเต่งต่างๆไว้ที่สองที่ถ้าพระเถระรูปหนึ่งหรือสองรูปมาในเวลาวิการพึงบอกท่านว่าท่านผู้เจริญพิสูตแม้ทั้งหมดเมื่อผมให้ลุกขึ้นตั้งแต่ต้นจกต้องพากันขนของออกขอท่านจงอยู่ในที่อยู่ของผมนี่แลแล้วก็ให้อยู่ในที่อยู่ก่อน วันรุ่งขึ้นเพื่อว่ากันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงจะย้ายหรือไม่ย้ายท่จะอยู่นานหรือไม่นานแต่ปกติแล้วตามธรรมเนียมก็คือเศียรนานะที่เลิศก็ต้องถึงแก่พระมหาเทระก่อนแต่เมื่อพระเทระมากันมากพึงให้ที่สุดทั้งหลายลุกออกแล้วให้ตามลําดับถ้าเกิดมาองค์สองค์รูปสอรูปนี้เป็นกระไรก็จัดที่อยู่ไว้ให้พักก่อนแต่ถ้าเกิดมากันมา ก, มากยังไงก็ต้องให้ลุกขึ้นแล้วก็แจกเศียรนาสนะตามลําดับ ถ้าพอกันองคละบริเวณพึงให้องละบริเวณแม้สถานที่ทั้งปวงเป็นต้นว่าโรงไฟโรงยาวและโรงกลมในบริเวณนั้นย่อมถึงแก่ท่านด้วยถ้าไม่มีกุฏิที่พักให้พักที่โรงไฟโรงยาวโรงกลมได้ทั้งนั้นเลยนะเมื่อแจกอย่างนั้นไม่พอกันควรให้ตามจำนวนประสาทเมื่อประสาทไม่พอควรให้ตามจานวนห้องน้อยเมื่อจำนวนห้องน้อยไม่พอกัน ควรให้ตามจํานวนที่นอนเมื่อที่นอนไม่พอควรให้ตามที่ตั้งเตรียมแบ่ที่ตั้งเตรียมเพราะว่าถ้าวพิสุมากันมากนั้นจะให้ทั้งห้องเลยให้ทั้งประหารเลยไม่พอหรอกแบ่งกันอยู่กันแล้วกันห้องหนึ่งก็อยู่สามรูปห้ารูปแล้วแต่ว่าพิสุมากน้อยแค่ไหนก็แบ่งกันตามที่ตั้งเตรียมเมื่อที่ตั้งเตียงก็ไม่พอควรให้เฉพาะที่ตั้งตั้งตัวหนึ่งมากขนาดนั้นเลยนะ ถันมีที่มุงที่บางพระภิกษุก็สามารถเข้าไปหลบได้แต่ไม่มีที่นอนก็ให้ที่ตั้งตังให้ที่นั่งก็ยังดีแต่ไม่ควรให้ถือเอาที่เพียงโอกาสพอภิกตุยืนได้อย่าให้ถือเอาอย่นั้นคงไม่นั่นขนาดนั้นนะมังเพราะที่เท่านั้นไม่จัดเป็นเสนาสนะแต่เมื่อที่ตั้งตังไม่พอพึงให้ที่ตั้งเตียงหรือที่ตั้งตังอันหนึ่งแก่ภิกษุสามรูป ให้พั ก, กันพัด ก, กันนั่งพัด ก, กันนอนด้วยกล่าวว่าท่านจงผลัดเปลี่ยนกันพักเถิดท่านผู้เจริญในฤดูหนาวใครๆไม่อาจเลยที่จะอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืนพระมหาเถระควรพักผ่อนตลอดปฐมยามแล้วออกไปบอกพระเถระที่สองว่าผู้มีอายุคุณจงเข้าไปในที่นี้ถ้าพระเถระเป็นคนขี้เศาไม่รู้เวราพระเถระที่สองพึงกระแอมเคาะประตูบอกว่า ได้เวลาแล้วขอรับความหนาวกวร น, นักหลังนี้ท่านควรออกไปให้โอกาสจะไม่ให้ไม่ได้ต้องผัดกันถ้าไม่มีที่นอนกุฏิหลังเล็กนิดเดียวก็ต้องผัดกันไปอยู่ข้างนอกปฐมยามก็ให้พระเถระพระมหาเถระนอนก่อนมาชิมยามกอบธานุเถระปัจฉิมยามก็คอยพิสุรูปที่สามถ้ามีสี่ห้ารูปก็ต้องผัดกันกำหนดเวลาพักก่อน ฝ่ายพระเถระที่สองพักตลอดมัชชิมยามแล้วก็ควรให้แก่ภิกตุนอกนี้ตามใน่อนเหมือนกันพระเถระที่สองเป็นคนขี้เศราก็ควรจลุกตามในที่กล่าวแล้วเหมือนกันที่ตั้งเตรียงอันหนึ่งถึงให้แก่ภิกตุสามรูปตลอดคืนหนึ่งอย่างนี้แต่ภิกตุบางพวกในชมพูทวีปเห็นว่าชื่อว่าเสนาสนะได้แก่ที่ตั้งเตรียมและตั้งเฉพาะบางแห่ง ย่อมเป็นที่สบายสําหรับบางคนไม่เป็นที่สบายสําหรับบางคนทิกสุทั้งหลายจะเป็นอาคารดุกะหรือหากไม่ใช่ก็ตามย่อมให้ถือเสนาสนะทุกวันนี้ชื่อว่าการถือเสนาสนะในฤดูกาลจะเป็นอาคารดุกะหรือว่าจะเป็นเจ้าถินก็ตามถ้ามีพระวิตรูมาใหม่ก็ต้องให้ลุกแล้วก็ย้ายเสยนาสนะตามลําดับพรรษาทําให้พอก็ต้องให้อยู่รวมกันใน กติเดียวกันแจกตามที่ตั้งเตียงที่ตั้งต่างก็ได้ต่อไปก็เป็นการถือเศนาสนะในคราวจำพรรษาในฤดูฝนฤดูฝนนี้ก็ใครมาก็ไม่มีการโยกย้ายแล้วแต่ถ้านอกพรรษานี้ต้องโยกย้ายตามบรรษาส่วนในคราวจำพรรษาย่อมมีอาคันตุกะวัดมีอาวาสิกะวัดพีจิตูุอาคันตุกะก่อนใครจะละพิมของตนไปอยู่ที่อื่น ไม่ควรไปในที่อื่นนั้นในวันเข้าบรรษาเลยทีเดียวหมายถึงจะไปกำพรรษานที่อื่นไม่ควรไปในวันเข้าบรรษาเลยเพราะว่าจะติดขัดเพราะว่าที่อยู่ในที่นั้นจะต้องเป็นที่คับแคบกันหรือพิษขาจารไม่ถ่วถึงด้วยเหตุนั้นเธอจะอยู่ไม่ฝาสุขเพราะฉะนั้นพึงกักว่าก็คือพึงคาดพึงคิดว่าตั้งแต่บัดนี้ไปราวเดือนหนึ่งจะเข้าบรรษาแล้วเข้าไปสู่วิหารนั้นคือต้อง คิดว่าจะเป็นกรรษาที่ไหนต้องไปที่วิหารนั้นก่อนเขาพรรษาสักเดือนหนึ่งเพื่อจะไปตรวจตราดูว่าเหมาะสมในการที่จะอยู่ไหมพิคขาจารย์อะไรเหมาะสมไหมที่อยู่เสนาสนะส ป, ปายาหรือเปล่าเมื่ออยู่ในวิหารนั้นราวเดือนหนึ่งถ้ามีความต้องการเพลียนบาลีจะกกําหนดความพร้อมในการเรียนบาลีถ้ามุ่งต่อกรรมฐานจะ ก, กําหนดได้ว่ากรรมฐานเป็นที่สบายคือกรรมัฐานของไหนเหมาะสม ถ้าม mm ีความต้องการปัจจัยจะกกําหนดปัจจัยยราบได้จะอยู่เป็นสุขภายในพรรษาก็คือปัจจัยสี่ขาดแคลนหรือเปล่าในที่นั้นก็จะรู้ก็แลเมื่อจะจากถิ่นของตนไปในที่นั้นไม่ควรกระทบกระทั่งโคจรคามคืออย่าว่ากล่าวชาวบ้านในที่นั้นว่าสลักกพัดเป็นต้นก็ดียากูและของขบเคี้ยวก็ดีถ้าจํานําพรรษาก็ดี ที่อาศัยพวกท่านย่อมไม่มีนี่บริการของเจดีย์นี่บริการของโรงอุโบสถนี่ดานและกุญแจท่านจงรับที่อยู่ของท่านไม่ควรจะเป็นว่าการเพราะยังนี้หรือไม่ควรจะบอกญาติโยม อ, อย่างนี้ญาติโยมก็ถามว่าเอา้าทำไมถึงจะไปจําัญาาที่อื่นก็บอกว่าปัจจัยสี่ไม่พร้อมก็เลยไปอันนี้ไม่ควรอก็ว่าจะเปลี่ยนสถานที่อยู่หรือว่าจะเปลี่ยนตถานที่บริกรรมภาวนาอะไรต่างๆก็ว่าไป แต่ว่าไปบอกคืนเสนาสนะเขาแล้วก็บอกว่าของขบเคี้ยวผ้าจำบัญชาอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยก็เลยไปไม่ดีไม่ควรที่ถูกควรจัดแจงเสนาสนะเก็บพันดะไม้และพันดะดินเครื่องไม้เครื่องดินทั้งหลายบำเพ็ญคำนิกรตศหมายถึงข้อวัดของพิสดุที่กําลังจะเดินทางไปที่อื่นก็คือจะย้ายออก์สมวัตนั้นแล้วจะได้คำนิกรวศวัดของผู้ที่เติมตัวจะไป ก็บริบำเพ็ญคมิกวัตรให้เต็มให้บริบูรณ์แล้วจึงไปแม้เมื่อจะไปอย่างนั้นพึงให้พี่จหนุ่มหิ้วหอบาดและจีวรให้ช่วยถือกระบอกน้ำมันและไม้ทางเป็นต้นตามร่มอย่าแสดงตนไปทางประตูบ้านเลยควรไปตามข้างดงที่กำบังก็คือไม่ควรจะประกาศตัวหรือว่าโชว์ตนเองในที่สาธารณะในหมู่บ้านเดี๋ยวก็กต้องมิมนอะไรต่างเนี่ยนะ ก็ให้ไปตามทางข้างดงไม่ให้ใครเห็นเมื่อทางเข้าดงไม่มีก็อย่าบุกพุ่มไม้เป็นต้นไปเลยอย่าทํำจนให้ลำบากก็ไปตามทางเดินตามถนนนั่นแหละอันหนึ่งพึงบําเพ็ญธมิกวัดตัดวิตกมีจิตผุดผ่องไปด้วยธรรมเนียมเหตุการไปเท่านั้นได้บําเพ็ญวัดเดินเพนศีนตามที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็ทำให้มีจิตใจผุดผ่องได้ แต่ถ้าทางมีทางประตูบ้านและพวกชาวบ้านเห็นตนกับบริวารไปอยู่จะวิ่งเข้ามาหาด้วยคิดว่านั่นดูเหมือนพระเทระของพวกเราแล้วจะกระัยว่าท่านจะขนบริขารทั้งหมดไปไหนขอรับถ้าในพวกเธอรูปหนึ่งกลา่าวเหลนี้ว่านี่เป็นเวลาจวนเข้าภาษาแล้วพิกษุทั้งหลายย่อมไปในที่ซึ่งตนจะได้พิษอาจารย์เป็นนิดและสิ่งของสําหรับปกปิดภายในภาษาก็คือผ้านั่นเอง ถ้าชาวบ้านเหล่านั้นได้ฟังคำ ต, ตอบของเธอแล้วกล่าวว่าถึงในบ้านนี้ชนย่อมบริโภคย่อมนุ่งเหมือนกันขอรับท่านอย่าไปในที่อื่นเลยดังนี้แล้วเรียกมิตรและอำมาตย์ทั้งหลายมาแล้วทุกคนหารือพร้อมตันตั้งนิตยพัชและพัชต่างๆมีสลากภพัเป็นต้นทั้งผ้าจำนำปัญษาด้วยไว้สาหรับวัดแล้วช่วยกันอ้อนวอนว่า นิมนต์จำปรญษาในวัดนี้แลขอรับที่สุสมควรยินดีทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้ปิดขอเขานะเขาจัดการแต่งตั้งให้เองสิ่งทั้งปวงมีนิจยพัทเป็นต้นแม้นั้นเป็นของควรและหาโทษไม่ได้ส่วนในกุรุนทีแก้ว่าเมื่อเขาปราศัยว่าท่านจะไปไหนพึ่งตอบว่าที่โน้นถูกเขาซักว่าเหตุอะไรจึงไปที่นั้นจึงบอกแจ้งเหตุ และคําทั้งสองนี้ชื่อว่าหาโทษไมีได้เหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์แท้นี่ชื่อว่าอาคารตุ ก, กะวัดเป็นการบําเพ็นอาคารตุกวัดบางตันี้อาคารตุกะวัดนี่หมายถึงว่าเดินทางไปแล้วแล้วก็มีพวกชาวบ้านเขามาต้อนรับแล้วก็ถามว่าจะไปไหนบอกว่าจะไปยัง ท, ที่ที่เหมาะสมเขาก็เลยนิมนต์ว่าที่นี้ก็มีอาหารมีปัจจัยสี่เพียงพอทั้งจีวรทั้งบิณฑบาต คุณเจ้าอยู่ที่นี้เถอะเพราะฉะนั้นสามารถอยู่ได้ในที่นี้ เ, นเรื่องของอังคุ ก, กะส่วนอาวานิกวัตพิงทราบดังนี้อันที่สุดทั้งหลายผู้เจ้าถิ่นพึงจัดแจงที่อยู่ก่อนทีเดียวพึ่งทําการปฏริสังขรเจนาสนะที่ชํารุดหักพังและการตกแต่งก็คือตกแต่งทําให้ดีให้งานที่พังเกาะสองแสนเช่ไหพึ่งจัดแจงสถานทั้งปวงเหล่านี้คือที่พักกลางคืนที่พักกลางวัน วัชกุฎีและที่ถ่ายปัสสะาวะวัชกุฎีนี้คือห้องซ่วมมงถ่ายอุชระที่ถ่ายปัสสวะเป็นคนละอันกับที่ถ่ายอุชระแต่ว่าอาจจะอยู่ใกล้กันเรือนบำเพ็ญเพียรและทางแห่งที่อยู่มาผลทา ง, งต่างๆจัดแจงให้ดีพึงทํากิจทั้งโปรแมนี้คือชาปูนขาวที่พระเจดีทาน้ํามันชุกชีเล็กและปักเช็ดเตียงต่างโดยตั้งใจว่าพิกษุทั้งหลายผู้ประสงค์จะจําำภาษามาแล้ว เมื่อทำเก็จมีอุเทศป ร, ริยุุชาและประกอบความเพียรในกรรมฐานเป็นต้นจักอยู่เป็นสุขอนุเคราะห์แก่รงภิกษุที่ทำอยู่นี้ก็เป็นผู้ที่ถึงพร้อมได้วัดภิกษุผู้เจ้าถิ่นทำบริกรรมเสร็จแล้วพึงถามถึงผ้าจำนำภรษาตั้งแต่วันขึ้นห้าค่ำเดือนแปปกติแล้วการจำนำภษาก็จะมีผ้าจำนำภษาหมายถึงเป็นผ้าที่ได้ตกถึงแก่ผู้ที่จำนรรษา ก็ให้ถามได้ถามว่าพึงถามในที่ไหนตอบว่าพึงถามในที่ซึ่งตนได้อยู่ตามปกติแต่ไม่ควรจะถามชนทั้งหลายที่ไม่เคยให้พวกกษัตท่านใดเคยถวายผ้าจำนำสาตลอดทุกประสามให้ไปถามกับพวกนั้นได้แต่ว่าใครที่เขาไม่เคยถวายก็ไม่ควรไปถามถามว่าเหตุไรจึงต้องถามตอบว่าก็บางคราวชนทั้งหลายก็ถวาย บางคราวพวกเขาถูกทุกภิกระไพยเป็นต้นเบียดเบียนย่อมไม่ถวายในชนเหล่านั้นพวกใดจักไม่ถวายเมื่อไม่ถามพวกนั้นแล้วให้เขาจองผ้าจำนำภษาไปอันตรายแกราบจะมีแกลาพิจุซึ่งเขาจองไว้เพราะเหตุ น, นั้นควรถามก่อนแล้วจึงให้เขาจองเอาไปบางครั้งก็สร้างวุดีถวายแล้วก็สำหนดกติกาว่าพิจูใดที่อยู่ ในกุณดีที่ตนเองสร้างถวายก็ต้องรับผ้าจำนำภาษาหรือว่าผ้า ต, าต่างๆของผู้สร้างกุณดีนั้นครัง้งครั้งปกติเขาถาวายผ้าผ้าจำนำภาษาเพือให้ไปถามเขาได้เมื่อจะถามเพิงกล่าวว่าเวลาในการจองผ้าจำนำภาษาของพวกท่านใกล้เข้ามาแล้วถ้าเขากล่าวว่าท่านผูจเจริญตลอดปีนี้พวกผมถูกฉาตะกะไผ่ก็คือไผ่สงครามกดอยากเป็นต้น เบียดเบียนไม่สามารถจะถวายได้หรือว่าพวกผมจับถวายน้อยกว่าที่เคยถวายหรือว่าบัดนี้ฝ้ายได้ดีผมจะถวายให้มากกว่าที่เคยถวายดังนี้พิสูจน์พึงกหำหนดคํานั้นไว้แล้วคือจดจําคํานั้นไว้ด้วยให้พิกูจทั้งหลายรับผ้าจำนำภาษาในเสนาสนะของชนเหล่านั้นตามในซึ่งหมกแก่คํานั้นถ้าเขากล่าวว่าผ้าจํานำภาษาของพวกผม ถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าองค์ใดพระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นจงตั้งน้ำฉันไว้จงดูแลหนทางของที่อยู่จงปัดกวาดลานเฉดีและลานโพจงรดน้ำที่ต้นโพตลอดไตรมาสถ้าจำนำพรรษาของเขาถึงแก่พิกตุใดพึงบอกแก่พิกตุนั้นส่วนบ้านใดห่างออกไปอยู่ในระยะหนึ่งโยศหรือสองโยศถ้าสกุลทั้งหลายในบ้านนั้นมอบกาลปนาอันเป็นต้นทุนไว้ เฉพาะถวายผ้าจำนำราษาในที่อยู่แม้ไม่บอกสกุลเหล่านั้นก็ควรให้ภิกษุผู้ทำวัดอยู่ในเสนาสนะของสกุลเหล่านั้นรับผ้าจำนำภาษาแต่ถ้าภิกษุผู้ถือบางสกุลอยู่ในเสนาสนะของสกุลเหล่านั้นและเขาเห็นเธอมาแล้วกล่าวว่าพวกผมถวายผ้าจำนำราษาแก่ท่านภิกษุนั้นพึงบอกแก่สงฆ์ถ้าสกุลเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะถวายสงฆ์กล่าวว่า พวผมถวายเฉพาะแก่พวกท่านที่สุผู้ถือผ้าบางสกุลนั้นพึงสั่งพิกษุผู้เป็นสภาคาแต่นว่าท่านจงทำวัดแล้วรับเอาไปเพราะว่าพิสูจน์ผู้ถือผ้าบางสกุลจะไม่รับเครื่องบริจีวรหรือผ้าจํานำประสานแต่ผ้าจํานำประสาทนั้นไม่ควรแก่พิกูจนผู้ถือผ้าบางสกุลพึงถามชนทั้งหลายผู้ถวายด้วยศรัทธาไทยด้วยประการฉนี้ศรัทธาไทยก็หมายถึงเป็นผู้ที่ มีวัตถุทายาทธรรมที่เกิดด้วยศรัทธาจะถวายวัตถุทายาธรรมนั้นส่วนในจีวรที่เกิดขึ้นในวัดนั้นควรถามกับอิยการกถามอย่างไรควรถามว่าผู้มีอายุพันฑะสําหรับปกปิดก็คือผ้าของสงจากมีหรือถ้าเขากล่าวว่าจากมีขอรักผมจะถวายผ้ารูปละเก้าซอกท่านทั้งหลายจงให้จองผ้าจะนําบัญชาเถิดดังนี้ พึงให้พิจุถือเอาเสนาสนะได้เพราะว่าบางทีเขาถวายผ้าตามการถือเอาเสนาสนะนะแม้ถ้าเขากล่าวว่าผ้าไม่มีแต่วัตถุมีท่านจงให้จองเถิดแม้เมื่อมีวัตถุก็ควรให้ถือเสนาสนะได้เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้พิกษุบริโภคสิ่งที่เป็นกับอิยะทั้งปวงจากวัตถุที่ทายกมอบไว้ในมือกับอิจคารกสั่งว่า ท่านจงใช้สอยของที่ควรเถิดส่วนวัตถุดใดทายกเจาะจงถวายพิสูจในวัดนี้เพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาตหรือเพื่อประโยชน์แก่ชีรานาปัจวัตถุนั้นเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายจะโอนเข้าในจีวรพึ่งอปพโลเพื่อประโยชน์แก่สง์แล้วจึงค่อยโอนเข้าไปวัตถุที่เขาเจาะจงถวายเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะย่อมเป็นครุภัณโอนไม่ได้นะถ้าเขาเจาะจงถวายเพื่อจะเป็น ปัจจัยแต่เสนาสนะซ้อมแซมหรือว่าสร้างเศาสนาจะไปโอนเข้าจีวรหรือว่าบินทะบาตรดนนี้ไม่ได้ส่วนวัตถุที่ขอถวายไว้เฉพาะค่าจีวรหรือเป็นค่าปัจจัยสีเมื่อจะโอนเข้าในจีวรไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยอัปโรกนกกรรมก็แน้เมื่อจะทำอัปโรกนกกรรมควรทำให้เนื่องด้วยบุคคลเท่านั้นไม่ควรทำให้เนื่องด้วยสง์ไม่ควรทำอัปโรกนกกรรมแม้ด้วยเนื่องกับทองเงิน พวกเงนทอนี้ไม่ต้องไปเอาไปลงในการที่จะเอามาใช้หรือเนื่องด้วยกับข้าวเปลือกควรทําแต่เนื่องด้วยอํานาจจักรยพันและด้วยอํานาจชีวรและข้าวสารเป็นต้นเท่านั้นก็แลอปปลงกนกรรมนั้นพึงทําอย่างนี้ว่าบัดนี้พิการหาง่ายบินทบาทได้ง่ายพิสุททั้งหลายลําบากด้วยจีวรพิสุททั้งหลายพอใจจะโอนส่วนข้าวสารเท่านี้ทําจีวร หรือว่ากิรานัปจัยผ่าได้ง่ายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้อาพาธก็ไม่มีภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนส่วนข้าฝานเท่านี้ทําเป็นจีวรอันนี้ก็เรียกว่าอภโกรกนัตตังก็คือเอาวัตถุปัจจัยที่จะทำทั้งหลายที่ก็ถวายไว้เพื่อเป็นค่าสิ่งของอย่างหนึ่งคือเป็นค่าบินทบาทค่าจีวรนหรือว่ากิรานัจจัยแต่ว่าโอนมาเพื่อบินทบาทก็ได้เพื่อเสนาชนะก็ได้เหมือนกัน ว่าเอาตัวที่เป็นโลหพันธ์มาทําเป็นครุพันธ์ได้แต่ถ้าขอที่เขาถวายไว้เพื่อเป็นผ้าเสนาสนะจะามาอับประโลกแล้วก็มาทําเป็นลูกพันธ์ก็คือเอามาทาเป็นผ้าทีวรนผ้าบินทบาทยารักษาโรกอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครั้งตารวจชีวรปัจจัยอย่างนี้แล้วเมื่อการเป็นที่ให้ถือเสนาสนะได้ประกาศแล้วสงประชุมกันแล้ว คือสมมติสูตผู้เสนาสนะคาหาปะตะก็คือสมมุติสูตผู้ที่จะแจกเสนาสนะพระอาจารย์กล่าวว่าก็แลเมื่อจัดสมมุติพึงสมมุติสองรูปด้วยว่าเมื่อสมมุติอย่างนั้นพิสูจอ่อนจับให้พิกจุแก่ถือเสนาสนะและพิกจุแกจะให้พิกจุอ่อนถือเสนาสนะชนีแล ส, ออ ส, ส่วนในวัดใหญ่เช่นกับมหาวิหารควรสมมุติไว้สามถึงสี่รูป แต่ในกุรุนทีแก้ว่าจะสมมุติไว้แปดรูปบ้างสิบหกรูปบ้างก็ควรถ้าเกิดท่ามากันเป็นพันๆ น, นี่จะได้ช่วยกันแจกกาสมมตุติทิศสุตเหล่านั้นจะทําด้วยกรรมวาจาก็ได้ด้วยอปโลกนกรรมก็ได้ควรทั้งนั้นทิกสูตผู้ได้สมมุติแล้วเหล่านั้นพึงกําหนดเสนาสนะก็เรือนเจดีเรือนโพเรือนพระปฏิมาร้านไม้กวาดร้านเก็บไม้ วจะกุดีโรงอิฐโรงช่างไม้ซุ้มประตูโรงน้ําศาลาคร่อมทางศ า, าลาริมสะเหล่านั้นไม่ใช่เสนาสนะก็คืออย่าไปกําหนดว่าเป็นที่อยู่พักแต่ว่าถ้าจะเลือกไปพักในที่เหล่านี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าปกติแล้วก็จะต้องแจกเสนาสนะที่อยู่พักกันตามปกติกุดีที่อยู่เรือนมุงแถบเดียวราศาเรื อ, อนล้นถ้ามณดก โคนไม้กอไม้เหล่านี้จัดเป็นเสนาสนะเพราะฉะนั้นควรให้ถือเสนาสนะเหล่านั้นและเมื่อจะให้ถือพึงนับจํานวนพิกตุในวิหารก่อนแล้วจึงนับที่สําหรับเตรียงก็มีพระบารีว่าดูก่อนพิจตุทั้งหลายไองอนุญาตให้นับพิกตุ ก, ก่อนครั้นนับพิกตุแล้วจึงนับที่นอนครั้นนับที่นอนแล้วพึงให้ถือตามลําดับแห่งที่นอนดังนี้เป็นไปตามลําดับภาษาด้วยนะ ต่อจากนั้นพึงให้ที่สำหรับเตียงหนึ่งที่แก่ภิกษุหนึ่งรูปถ้าที่สำหรับเตียงมากเกินไปพึงให้ถือตามลำดับแห่งวิหารถ้าแม้วิหารก็มากเกินไปพึงให้ถือตามลำดับแห่งบริเวณแม้เมื่อบริเวณก็มีมากพึงให้ส่วนแม้อื่นอีกก็ในเมื่อภิกษุมีจํานวนน้อยควรให้สองสามบริเวณเลยต่อภิกษุรูปหนึ่งเมื่อส่วนที่สองอันภิกษุถือเอาแล้ว มีพิจุอื่นมาถึงให้ส่วนนั้นแก่พิจุผู้มาใหม่นั้นตามความไม่ชอบใจของตนก็ถ้าพิจุใดถือเอาส่วนแล้วพิกจุนั้นให้ส่วนที่สองหรือส่วนที่หนึ่งตามความพอใจของตนการทําเช่นนี้ย่อมควรก็คือเมื่อให้ส่วนที่สองไปแล้วเนี่ยส่วนที่หนึ่งนี่ ถ้าถึงแก่ใคคนนั้นจะสละตามความพอใจของตนก็ได้แต่ว่าเมื่อให้ถือตัวนี้หนึ่งไปแล้วเป็นติดของบุคคลนั้นแล้วตัวนี่สองก็ให้ถือกันตามลําดับต่อไปพิกสุไม่พึงให้พิกสุผู้อยู่นอกอุปจาราศีมาถือเสนาสนะแต่พิกสุแม้อยู่ในที่ไกลในภายในอุปจาราศีมาย่อมได้เสนาสนะทีเดียวก็มีท่าบาลีว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาถือเสนาสนะรูปใดให้ถือรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎก็มีพระบารีว่าดูวยความภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ที่นอนอันสมควรแก่ภิกษุอาภาเพราะฉะนั้นภิกษุใดเป็นผู้อาพาได้วยโรคหืดหรือโรคฤิษิดดวงทวารและโรคลงแดงเป็นต้นภาชนะมีกระโถนและหม้ออุจจาระเป็นต้นเป็นของอันภิกษุนั้นควรเตรียมไว้ อีกอย่างหนึ่งพิสูจเป็นโรคเรื้อนย่อมทําเสนาสนะให้เสียควรให้ภายใต้ประสาทและสาลาบใบไม้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเสนาสนะที่สมควรแก่พิกษุเห็นป่านนั้นเมื่อภิกษุอาภาษ ร, รูปใดจะไม่ทําเสนาสนะให้เสียหายแม้ที่นอนประหนี้ก็ควรให้แก่พิกูจนรูปนั้นแท้ฝ่ายภิกษุใดทํายาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นว่ายาดองยาถ่ายและยานัด ทิศนั้นทั้งหมดจัดว่าเป็นผู้อาพาธด้วยพึงกําหนดเสนาสนะที่เหมาะแก่ทิุรูปนั้นก็มีข้ามบาลีว่าดูกรทิศทั้งหลายทิุรูปเดียวไม่พึงห่วงกันเสนาสนะไว้สองแห่งรูปใดห่วงกันไว้รูปนั้นต้องอบดับทุกกฎเพราะฉะนั้นทิศรูปเดียวไม่พึงถือเสนาสนะไว้สองแห่งแม้ถ่าทิุถือการถือเอาเสนาสนะ ที่ถือเอาก่อนย่อมระนับเพราะการถือเอาเสนาสนะทีหลังการถือย่อมระนับเพราะการถืออะไรย่อมระงับเพราะการถือการถือย่อมระนับเพราะอะไรอะไรย่อมระงับเพราะอะไรคืออย่างไรปิสุบางรูปในศาสนานี้ถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแล้วไปสู่วัดใกล้เคียงถือเสนาสนะในวัดนั้นอีกในวันข้าววันสา การถือครั้งแรกของพิสูจนนั้นย่อมระงับเพราะการถือครั้งหลังนี้อันนี้ก็การถือระงับเพราะการถือพิสูจอีกรูปหนึ่งกระทำเพียงอะไรว่าเราจักอยู่ในวัดนี้แล้วไปสู่วัดใกล้เคียงถือเสนนาสนะในวัดนั้นแหลอะไรที่มีก่อนของพิกูจนนั้นย่อมระงับไปเพราะการถือนี้นี่เรียกว่าอะไรย่อมระงับเพราะการถือ รูปหนึ่งถือเสนาสนะหรือทําอะไรว่าเราจะอยู่ในที่นี้แล้วไปสู่วัดใกล้เคียงถือเสนาสนะในว eh. like ัดนั้นหรือทําอะไรว่าบัดนี้เราจะอยู่ในที่นี้แลเนื่องประการอย่างนี้การถือของเธอย่อมระงับไปเพราะอะไรบ้างอะไรของเธอย่อมระงับไปเพราะอะไรบ้างที่สุดย่อมตั้งอยู่ในการถือหรือในอะไรครั้งหลังๆในที่ทั้งปวงอันหนึ่งที่สุใดถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแล้วไปด้วยคิดว่า เราจกอยู่ในวัดอื่นในขณะที่พิสูจนนั้นก้าวล่วงอุปจาระศีมาไปทาถือเสียรนสนะย่อมระงับแต่หากว่าพิกูุไปด้ยตั้งใจว่าถ้าในวัดนั้นจะมีความสำราญเราจะอยู่ถ้าไม่มีความสำราญเราจกมาดังนี้ทราบว่าไม่มีความสำราญจึงไปมาในภายหลังเช่นนี้สมควรวันนี้ก็สมควรแต่เวลาอนุมันาสาธุ